ก่อนจะมาทานถีนให้ทาจิตทาใจสักสองนาทีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทานถีนนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของบุญแต่ภาวนานี้เป็นตัวถดยอดดีที่สุดเหมือนกลอนดินน้ำลมโคจับมือ เอาเมือไปจับเจ้านมโคแล้วก็รีดลงมาตจำใจให้สงบชั่วรีดนมโคตจำใจให้สงบชั่วหูแลบลิ้นตจำใจให้สงบชั่วแงกระดิกูให้สงบใจสักสองนาทีแล้วสม า, าทานขิง มีว่าอพระยากร บ, บินเนีย่ยแบบร่อนี้ว่าว่ามนุษย์สามสีนี่มันอยู่ที่ไหนอ่ะเด็ดกนี่งออร์ดก่อไม่ได้นี่จะทำยังไงอ่ะบอกผมขอโอกาสคิดสักเกณฑวันว่าราศีของคนนี่มาอยู่ตรงไหนเด็ดไม่เข้าใจราศี แต่ก็ยอมตัดสินใจในหนีตัวจะสูุขภาพายก็ไปในป่าไปนอนอยูใต้ต้นตาลใต้ต้นตาลเนี่ยมีนอกอีกตี่ออกลูกถุงแล้วก็มันจะหาทินแล้วก็ไอตัวเมียหนามตัวผูดว่านี่เราจะกินที่ไหนกันละ่ะเพราะตรงนี้ก็มีคนตายกันไม่ต้องตรงไหยแล้วไม่รู้ว่ยาตะเ บ, บนด้วยว่า กรรมาบาลกุมารเนี่ยเราว่าใจเรื่องอะไรละ่ะก็ถามปัญหากันว่ามนุษย์สามราศีอยู่ตรงไหนไอ้ตัวเมียถามไอ้ตัวผู้บอกอ๋อเรารู้ที่มนุษย์สามราศีนี่เจ้าเป็นไม า, น, า, มาน้าราน้าเที่ยงเป็นไม้น้ำตกออกจตกตะวันตกไอ้ร่างถา้าไอ้ร่างทางรํางขาวร่างจริงขึ้นบ้านกรรมาบาลกุมารด้ยินกขาพูดอยู่โอ เข้าใจสิเลยกลับมากลับมาถึงปัญญาตะพิ น, บ อ, นอบอกรองนายย่างบอกเราแล้วกอในงั้นเราจะถามนะมนุษย์ถามราศีนี่อยู่ที่ไหนเด็ก็ว่าราศรีที่หงให้ผิวบันดีหนะ้าตาแต่สวยก็ ต, นนะต้องร้างหน้าล้างตาก่อนที่แล้วกว็ราศรีที่สองจะโดนหลร้อนใจเอาน้ํามาขับอกน้ําไหนจะเป็นน้ำารรมะนี่เป็นน้ํา กรรมวารที่เย็นมาตกหัวใจมาอบรมหัวใจเวลาขึ้นบ้านขึ้นเรือนนี่เราสมัยนั้นถอยยังไม่สมวมรองเท้าก็เดินกับก้าวเปล่าเดี๋ขึ้นบ้านขึ้นเรือนเทวดาเจ้าของเรือนมีอยู่ตรงหลังทีงดดงนี่นะถ้าเราเดินเจตจายได้ขึ้นบ้านได้ตกลองว่าส ม, มมาบานกุมารชนะปะยาประบินมีลูกสาวจิตเจ็ดคนหรือว่าลูกสาวบางปีนี่ ก็เป็นราศีไหนในวันสงครานี่เกิเจ็บลูกสาวด้วยกันพ่อก็ลงมือตัดหกหัวตัวเองแล้วก็เลือดทุบหยดแม่ลงดินก็บอกลูกสาวว่าอุว่าเสียนกองรองนี่ยา้นอบดินนะดูนะกาชอบรองดินดินลูกเป็นควายกาลงในทะเลอะไรแห้ง้าโู้ล่ภูเขาภูเขาวันพิฆาตหมดเลยเจ้าต้องถือความนี่้ในเวลาสงครานี่จะที่ทำอยู่นี่เป็นวันสงกราน เป็นวันที่เป็นต้นเหตุมาจากมีปยากรบินกับธรรมบานภูมานเข้าสามปัญหากันจึงมีเรื่องขึ้นเป็นมาตุสัตนี้แต่พระพุทธเจ้าทางว่าดีแต่ดีที่สุดคําว่าราศีนี้คืออะไรราศีานี้หมายถึงศีนหน้าก่อนมีศี น, น่าหน้าตาดีปีวันนี้อายุยืนราศีบางคนเกิดมาต้รับด่ีศีน้า ไม่กล้าจักไม่รักลับไม่จิตในกาบแล้วไม่พูดแท้จะไม่พูดไม่เบื่อโบราบไม่เลยเก็่ยวกับราศีเวลาอายุอานามมากขึ้นนี่ต้องไหว้พระสวดมนต์กำนั่งกรรมฐานต้องเจริญภาวนาหมือนอย่างที่นี่ทาการเนติกรรมศูนย์ใจรู้ไม่รู้เลยทรรมศูกสถานนี้ใหญ่อลังการแต่ว่าเป็นสถานที่อบรมจิตของคนเรียกว่า ใครเดือด้อนอะไรมาว่ า, ารานั่งกรรมฐานก็ได้เพราะนั่งกรรมฐานนี่ยทำให้หัวออ ก, กใจมันเย็นเราราศีตอนเที่ยงของชีวิตคือคนกลางคนนี่กอต้องเข้มแข็งในการนั่งกำหนดพโธกําหนดนี่ได้พุทโธ เ, ทโเราไม่ใจแคบที่ตรงนี้จับไว้มาหลายปีแล้วคนก็ได้ดิใได้ดีเพราะมานั่งกรรมฐานก็จเจริญ ภาวนานักว่าเป็นสิ่กมงคลอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนใจร้อนวุ่งวายเรื่องหลายอย่างมีทุกนั่นทุกนี้ตรงนี้เป็นที่ดับทุกมอนที่เครื่องบินเนี่ยเขาก็ตั้งสถานที่ไว้สำหรับพวกที่สืบเรื่องรามในคนไทไว้ตราถมงวนก่อ น, น, ท น, น, ทท น, น เ, นเ ท, น ท, ที่ยงก็บินก็ทำเอาไว้ทๆกัๆสนามบินแหละในจัตเมตัยที่ด้านทานี้เรียกว่าราศีเกิดข้า คนหน้าตานีผิวพรรณดีก็ต้องมีสิ่ด้วยปจจานคนเป็นมัติมาไวจากคนแนวตานจากความเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วก็ต้องทําใจให้สงบเจวะตาสีของชีวิตอยู่ที่หัวออกหัวใจจะต้องไวหวตาส่วนคนจะต้องนั่งธารมทานถ้าไม่โสดจะต้องเรียนจงกรมได้ด้วยแต่ถ้าไม่ใจเย็นเวลาเราจะตายนี่เจว่จากเพื่อนบ้านนี่บ้านเป็นที่ หลับที่นอนที่กินที่อยู่ต้องสะอาดสะอานอ่างหน้าบ้านหลางบ้านจากขึ้นบ้านต้องล้างน้ําเท้าหน้าของน้ำํำมาล้างเท้ า, แ ล, าและประเภไในขามันจะดเดินเหยียบบันไดขึ้นไปก็เรียกว่าเทวดาในบ้านนี้จะต่อใจเทวดาในบ้านก็เรียกว่าเขม่าเทวดาเขห่าเทวดาเขม่ K าใว่าบ้านเดือนดรือการลุกหลังเช้าที่นี่เราไม่เห็นตัวจริงแต่มีเทวดามาจุม่มดุ่มกันเยอะ อยูอาการหนังด pues ้อนอยู่อากาศนี่พอเป็นบ้านเปนเรียงเป็นลมจะชอบน้อยหรือความดังอะไรก็มีเทวดาเข้าถิ่นเท่นั้นเรามาอยู่นี่เทวดารักษาอยู่เช่นก่อสร้างเรียงวางของไม่ชอบไปดินเขาต้องมีเทวดาเข้าถิ่นจิจที่ที่จัดที่จัดที่ของสําหรับทั้นเป็นก็เมานี่เทวดาก็ต้องอยู่ทุกสถานที่ของพระเจ้าแผ่นดินแต่สุวนจิตก็มีอยู่ แล้วก็กรุงเทพก็มีทีู่พิงพอไปจังหวัดจันทกรกีก็ ป, ปูปานพอไปภาคใต้ที่นีราขว่าก็ตักษห็นิเวศพอมาไปถั่วก็วางไจจังวนมีเทวดารักษายอยู่เวลาไรเจ้าไปดินมเขาจะเดินไปกระทานี่เจ้าหน้าที่ต้องในมวลพระหมากวาดงากวัวนจะไปปูพิงนี่ ภูพิงนี้ชุมนุมของพวกอยนี้มีมากแล้เป็นป่าผีป่าผีโป่งผีปูเขาผีผีท้องไร่ต้องนาผีตามใจมีทั้งนั้นผีก็มาอาศัยอยู่พระชาชนจะเด็กไปแจ้งลำนได้หลวงจะเด็กไปในหลวงราชการที่เก้าน่เขาต้องให้พระมาปับบากวังรางวัลย้ายผีเข้ามาอยู่ไห้ออกไปในหลวงจะเด็กไปก็จะประทับอยู่ที่วันทีทีสัปดาห์ก็แล้ไป พอท่านะเด็จประทับาั่งก็มีพระเข้ารูปในพรนิมนต์ไปเป็นพระผู้ใหญ่ ใ, ห ใ, ในประเทศไทยแน่มีตังเดชจงเดชธรรมราชได้ ล, ลงมารองจังเดชอาจัรย์ปลอมชั้นชั้นต่ำชั้นเท้ชันราชั้นสามัญก็มีในกลางคันนั่งอาจารย์เลืออสีลิงดังก็ติดอันดับลงไปด้วยแล้วพระที่วัดบวรนิเวศในเวฆเป็นจันเดช ปเรียนเจ้าประโยชน์ก็ไ ป, ไปนั่งอยู่ด้วยในหลวงตามพิธีรับถิ่นพอรับเปล่าข้าวปวดปัญจวขึ้นมาถ้ารเราไปเหรวพระคุณเจ้าจะไปเข้าอองน้ำหน่อยพอไปเข้าอองน้ำนี่ก่อนจะไปท้าสังพระเอาไว้ว่าธรรมะข้อนี้จติกิริยติสมาธิปัญญาเนี่ยอธิบายว่าอย่างไรเดี๋ยวพระเจ้าเข้าห้อน้ําดี๋วก็ออกมากข้างนอก จะไม่ดสีเหลืองดำตอพอได้ออกมาถามว่าหลวงพ่อกำลรัรงนาประการนี้คืออะไรพอที่หลวงพ่ อ, พอเขีนลึกไม่ได้แต่ถามแต่ต้งถามพ ร, ระปเรียเจ้าเป็นจำเจ้าท่านถกบอกผมหน่อยไอรร้กำลังกำลังนาดูว่าผิดมีอะไรอยาา่างีมีอะไรนะผมนับว่า่ารของนี้ตอบนะกันจะไม่ไนะด้นะเดินราคา ปุริยะตตสมาธิปัญญาแต่ว่าเจตตาพลังมีกําลังด้วยเจตตาปุริยะพลังมีกําลังด้วยความเพียรกัคคพลังมีกําลังด้วยมีปิติสมาธิพลังมีกําลังด้วยสมาธิปัญญาพลังมีกําลังด้วยปัญญาหมวอนที่หลวงพ่อวัดจําองคนละไม้ยังที่ก็ทำมนทั่วไปอยู่การทำพลังจิตจิตตารู้ว่ามันก็มาจากนี่ย จำมาห้าข้ออเลยอย่างโยมห้าข้อนี้จำไม่ยากเอาข้อที่หนึ่งนะรักษานระทำให้เชื่อกรรมเด็ดขาดว่าจะดีเราจะดีจะด่วยจะุกจะทุกข์จะดีจะ จ, ะจะนนีมาจากกรรมเชื่อว่ามาจากกรรมแน่นอนการที่เราจนกรรมของให้ผลกับเราลำบากจกแทนอดอยากปากแห้เพราะเราไม่เคยทำบุญทำงนาน แต่ที่เรามีกินเหลืออยู่แล้วชายสุตบาลจะนุ่งจะหม่มจะไปยอนไปไปไหนหมีเรือมีรถจะนี้นี่ก็มาจากการทําบุญกําทานมาจารย์ธรรมดาหรือจารยาพลังเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าเรามีกรรมในของตนเชื่อความจัดจารุของพระพุทธเจ้าจะวจารย์ธรรมดาเป้นความเคยความเชื่ อ, าา อ, อ, อ, อ, อเชื่อว่าตัวเรานี้ ที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่มาจากกรรมตัวรองมีกําลังมีรองหมายใจอยู่ก็มาจากกรรมของเราที่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เราได้เด็กได้ดีทํางานดีเงินเดือนดีอายุมัน่นขันยืนรูปร่างเยาว์รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามรารยาทชาติพูดีมีใจดำก็มาจากกรรมของตนก็เป็นคนงอง้ า, าวนอกรสนเป็นคนใจบาปใจร้ายก็มาจากกรรม กาเชื shoes, ่อคำแล้วก <Never weiß. S 2> hey, ็มันมีพลังจิตที่ว่าเราไม่ทาชั่วในกาลนี้เพราะเราทําชั่วความชั่วอดิตัวเราไปชู่เราทําความดีเพื่วสุดจะดีกว่ามันแจะดีใดดีไป้างหน้าพอเชื่อแน่นอนก็เลยทําดีได้มากจึงเป็นพลังใจเป็นพลังจิตชนิดเดิมวิรทยะพลังมีกําลังของความเพียรําเพียรระวังไม่บาปเกิดขึ้นในขณะสองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว สามเปลี่ยนให้กุศลเกิดขึ้นเนี่ยกระดานสี่เปลี่ยนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกลื่อนพอเชื่อมั่นอย่างนี้ก็ทําความเปลี่ยนได้เต็มที่ใช่ปะยอมมีความเปลี่ยนทำงานที่ทีโอทีทําให้ดีที่สุดไม่มีใครจัดจีเตียนเราได้ไม่มีใครจะถอดเราได้เพราะความดีเนี่ยมันดีอยู่ที่ตัวคนใครทำดีได้มากก็จะไปเป็นลังของตัวเองมีความเปลี่ยนไม่เกียดการไม่ประดวนประปั น, น, นรุนง ไม่ทำงานที่ทำยอดยอดแย่แย่่โรเล็กงานเรจริงเราจำหน้าที่ทำงานตำแหน่งก็จะขึ้นมามีอายุมายืนด้วยนีว่าพลังของความเที่ยนพลังของสติใจตยเตี้จ็ดเกายที่ปากูก็ต้องระวังว่าใจเอ๋ยใจอย่าทิศใจนะใจเอ๋ยใจอย่าที่โกรธนะใจเอยใจโกรธได้อย่าไม่ยาบาดนะใจเอ๋ยใจโกรธได้อย่าปูก โอาการมาแทงมาไายแก่ไใ้จำไว้นะหัวใจเอ้ยเรียกว่าสอนตัวเองใไอมีกติรู้สึกไว้เสมอว่าใจที่คิดต่อคิดดีเข้าไหร่ก่อนคิดดีคนพวกไหนอ่ะคนนี้เราว่าโยอมในคนที่ดีที่ว่าจะนิเวศน์พระมาฉั น, านอาหารนอนพระมาให้โกวาทในวันสงการานเพื่อจะลองวันสงกรานต์ก่อนที่ทุสกรานจะเปิดเครื่องนี้เขาเรียกว่าคิดดี พอที่ดีคนรู้อนีรก็เขมาพอมาเขาก็จำบุญอะไรนี่ไอ้นั่นก็เอกมาถวายพระไอ้นี่ก็ถวายพระราคามากมันลอยซ้ำแล้วแต่เพราะว่ามีสติถ้าไม่มีจะเป็นคนความปั่งเป๋าเป๋าเป็นคนเพี้ยนเพียนแบบบุญก็ไม่ทำกรรมดีก็ไม่ทำไม่ได้สิก็ต้องมีสติระลึกได้สติระลึกได้ที่สุกก็อานาการนสตินี่การอิจฉาเลือดได้นี่หลอกหมายเจับ นี่ตรงหมายใจออกจึงพูดนะท่านบอกผ้ตัวผู้กว่าในใจนะผู้ตัวอะไรเกิดขึ้นมันสงบสิพอสงบอย่างนี้แหละย่อในความสจบคนมีเงินมีทองเยอะแยะอาจจะไม่ถุกนะแต่น่าพอใจม่นฉุกมันฉูกจริงจริงไม่ในอะไรเลยเลิกจากความสงบที่ความบุกเบิกขึ้นจากความสงบเลิกที่ตัว เรียกว่าใน ด, ดึงดั่งพอจะลดประดมการสอนพ ร, ระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้มีสติอานาปณะสติจะเลื่อนถึงลมหายใจทั้าออกมอรณะนุสติจะเลื่อนถึงวามตายจะมาถึงเราเอา้าก็เลึกอนถึงวันตายดีตรงไหนดี่มันไม่ประมาทพอเราเกิดมาตายเนี่ยมันก็ต้องตายแ น, น, น, น, น, น, น, น, น, น่ๆในวันใจวันหนึ่งกอดจะตายกันทุกวันเกิดทุกวันเราก็เข้าตายถึงที่สุดก่อนที่ตายเราจำตัวเองว่า ความตายเป็นของประจําตับร่างกายสังขารเหมือนพระบาทสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้ า, า, าททเจ้าอยู่หันนวนี่เราถ้าเป็นกระดกกระดั้นแต่งโครงตีสูภาพว่าเห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่ถูกสบายบ่ายมวยบ่ายชื่นเรื่นไรรวยเย็นดับที่แดยามเย็นเล่นกับลูกด้วยคํามวยโบรนาณนี้ข้าแต่งเองและข้าก็ต้องเตือนตัวเองด้วยว่า เราเป็นกระจัดขาไม่ไม่ควนจับจะให้ตายมัต้องตายแน่นอนการเจริญเป็นพระพระเจ้าแผดินที่ดีองค์เดิมที่ทรงถี่ทรงดามแม้ที่อาคานี้การประวัติพระองค์แบบเริ่มรายการที่หน้านี่านประวัติครั้งนั้นวิจัยไปไกลนิดว่าเมืองบ้านเมืองไทยต่อต่อไปจะต้องเจริญไปข้าหน้าข้ารจึงเบอร์ฟูนสานโอเบอร์สารไว้นะจากการนี่เป็นคนคิดด้วยีเริ่มทำด้วย การเป็นกระดัที่ยิ่งใหญ่ยังงในชื่อนามใหม่ว่าปีปรัปียปะนาพรเจ้าแผ่นดินที่น่ารักเกินน่ารักที่ท่านไปถือตัวท่านทําประโยชน์ให้กับเมืองไทยท่านว่าเจ้าแล้วหมายมาจากเพื่อนใดต้องเจริญอีกจำเนินป้าผ่านด้วยชาติที่อาจารย์หมาบัวคำเนี่ยมาจากใครมาจากพระเจ้าแผดินองค์ที่ห้าท่านคิดว่า เราต้องหาเงินไว้ก้อนหนึ่งไว้ให้ลูกหลานเราลูกหลานที่เป็นเกษตรก็ตามลูกหลานที่เกิดเมืองไทยก็ตามยามจนค้นแขงเราจะทําเงินไว้ก้อนเด่นให้เป็นเงินที่ของใช้ได้เมื่อยามทุกเหตนไรต่อเครขึ้นจะ บ, บ้านเมืองเจอมาโรคไข้มานีนี่จะต้องเอาเงินของท่านมาใช้ได้ที่อาจารย์มาบัวทำไมตั้งแต่ตท่านสิ้นประชนไปไม่มีใครที่จะทำท่าฝ่ายช่วยชาติ อาจารย์มาบัวจึงรับงานารต่อจากพระเจ้าไป่ดินพระองค์ที่หน้าได้คำพระภาษ์ของพระเจ้าได้เงินได้ทองได้ดอลลาร์ได้ไรโอู่นับเป็นลืานแสนล้านกอดทยังอยู่ในธนาคารกรุงเทพเดี๋ยวนี้วันไหนบ้าเมืองยุ่เกยไม่มีเงินจริงโปรดอนี้ใช้ได้เลี้ยงลูกเหงหลานทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นกัจจนาวีัยของพระเจ้าไป่ดินรับการที่หน้าท้านเจริญเล้วตลาดในความสามารถทอน แต่นี่ไม่ไว่าองค์อืนจะไม่เก่งเกงเหมือนกันแต่ในที่นี้เราพูดตรงนี้ต้องพูดว่าตรงนี้เกิดจากพฤติการที่ห้าที่ออกม า, ชาใช้ประโยชน์ประโยชน์ที่ลูกหล า, า, า, านมาทํางานได้กินได้อยู่และกินได้ใช้นี่ถ้าเป็นเจ้าบุญในคนยิ่งใหญ่เมื่อกี้เราถามเจ้าหน้าที่ว่ารับประทานจ่ายอย่างรับปรทึกจ่ายรับของระเจ้าอยู่โบราณเนี่ยมีไหมแต่ว่ามีต้องม่วมายอยู่เพราะนั้นก็สอนยิ่งใหญ่ ท่านเป็นพระชั้นสูงด้วยยศสามดานดอกด้วยน้ำกระกายก็สูงส่งเป็นคนที่หน้ารักไม่ถืงตัวแตเด็กไปไหนก็เป็นกันเองกับประชาชนเราถึงท่าจูนโอที่ส่วนบนในท้านนวลในวันสงการนี้ถ้งท่านไปเขียนลงไปทางเดงนี้ก็ได้ขอเดชะพระคุณกพระคุณเจ้าอันสูงส่งข้าไปเจ้าเป็นลูกเป็นหลานทเมือง น, นี้ได้กินได้อยู่กับสถานที่นี้ ขออธิส่วนบนในถิ่งพรงท่านดวงพระวิญญาณถิ่งพระจิตนักแสดงที่าามารใดจงรับทราบรับรู้อมองจารข้าไปเจา้าอุทิศส่วนบนุญไปให้ข้าให้ข้านได้ยืมด่ำอเจรศแต่งบนให้เกิดอยู่ในที่สูงในบนจากทุกไปทุกอย่างถ้ า, ากลับมาใหม่ก็มาเกิดในเรืองไทยเราจะเกิดทางชาติในการต่อไปก็ได้บุญข อ, ททอ ง, ทงที่ตีดตัวติดทำไปจนในขันที่เขียนเตื้นนี่ ยอมยันนักกว่าไม่มีความหมายบนโลที่ระบุชื่อประการใดนี่ไม่โบเราญายเรานี่คนที่เรานับถือไม่ศาสร์ที่เรียนไหวายเกิดพระพเจ้ า, าขอชนส่วนบนไปว่าในใจะชี่เขียนลงในกระดาษแล้วก็ให้พระบรมสกุนอนจ้าตอนจ้าตวัด ส, สัมปทายถูกหลักโยมเขาเรียกว่าโคจิตไห่เทวตาเทวดาปรีด้วยปกแหวกปกรีบวเ บุปเพ็ญสัตว์ดีโอที่ได้แกาการทวงเทืเกิดแก่เจิตายที่ตทำโอทิตไปเนี่ยเหมือนถอดระดับมันโดนระลึกเนี่ยมาจอดรจดับไปว่าดวงวิญญาณความท่านอยู่ที่ไหนที่ชื่อนั้นคนที่อยู่โลกเราก็ตอบมาได้ว่าระรับแล้วลงแล้วแล้วก็ขอบนกุศลที่โอทิตสวดบนมาให้ขอให้ท่านอยู่เยีมเป็นศุกหน้าทำบนไปก็คือให้ความดีเขาความดีเขาก็ได้เรา ทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ดีเพราะนั้ำทำดีโดยการอยู่ที่ส่วนบนนี่เป็นน้ําใจกับกัรอูกับเจริญทีเขาแป่นดินต่อผู้คนต่อมารดาบิดาทกานรับพ่อรักแม่พ่อแม่เราหมายใส่ใจกานอย่าเมอนเฉยนําต้องทางมุทิไปบ่อยๆเช่นวันนี้ทางมุทิไปแล้วเต็มขันมีเชื่อทุกคนวิญญาณยังเหลืออยู่ร่างกายจะหายไปด้วยพลอยพลนกขอไปหมดแน่แต่ใจคนไปของไม่ได้ การเจียงพายูยามประชารงเดิงแล้วแต่กรรมที่ส่งไปเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าเดตข้ามบุญบารมียิ่งใหญ่ขอบุญบารมีนี้เป็นร่มไม้ใจตาบกปับปรักษาด้านให้จบสามาวยอายุวรรณะสุกัดภนะจริงไรเป็นความดีาดลาบยศเถลิเสลิศเปนความจุจสิ่งไรเป็นความร้ายเป็นความทุกข์เป็นความยากเย็นเกินใจยงหมดไปเช่นไปในตัวด้านความดีอะไรอายุวัรณนะสุกัดภนะ ลาบยอดแขนเธอและค ว, วามจบทุกขิภาการิการจงบังเกิดแต่กั น, นาของด้านทุกๆคนเธอ อ, อยากจบการนี้ยานานนานจะพบกันจีกครั้งหนึ่ง น, นี่เป็นเวลาเป็นปีว่า ก, อก่อนจะมาตามที่นมนของเจ้าหนาที่มาตรวจมนต์งจ้านี้ พอมีโรคร้ายเกิดขึ้นก็รบกวนตอนนันไปทีนี้จะฝากาอะไรวจะจะอยากกับญ่างโจมในที่ลาที่จะถามปัญหาถามเองจะตอบเองว่าอะไรนะในโอกนี้จะมันเร็วที่สุดยอมตอบว่าใจมันเร็วกระูกแต่ไม่ใจอยู่ไส่นังกระดานเพราะว่าปีกันาำวุฒิารมานาเป็นการตรวจที่เร็วถึงเร็วเพราะไอ อย่างอื่นยังเร็วกว่าสายอานิบาตคว้าจะผ่าเปรี้ยงผ่าลงมาถูกบัวถูกกว่าตายบัวมันเร็วตาที่เห็นก็เร็วหูที่ฟังก็เร็วจมูกลองเป็นเลี้ยวรสหอมหวานๆอนี่ยหอมหอมเมื่อไหมมันก็เร็วลิ้นลิ้ก็บรสหวานมันเจี๊ยบก็ดูเร็วกายกำบันเจี๊ยบโน่นแห่งก็รูเร็วตาที่เห็นก็รูเร็วอะไรเป็นอะไรนี่ นันนั่นยาาโน้นนู่นนี่ผู้หญิงนี่นี่ผู้ชายนั่นนั่นแบบโชหน้าตายางนีนั่นตเก้าอี้เดี๋ยมันรู้เร็วใครดสายตามก็ยังรู้จอระดับอันโหลอันโหลโยต้าว่าจากเมืองใครแถบมันยังรู้เร็ยวจอระับโซรเลกหรือว่าเทโดาหน้านึ่งปรากฏว่เป็นพวกมันก็เร็วถามยอมว่าอะไรเร็วกว่านี้นิ่งไว้จากเดียวนี่จะตอ จะเล่าเรื่องประกอบมีพระราชาองค์หนึ่งตั้นดื่มน้ำจันจะกินเหล้าทุกวันึ่งประชาชนจะเตือนก็ไม่ได้เปรงใจลี่นไแลไม่เตือนก็ไม่ได้คดีต่างๆมาเสนอต้นนิ่งเข้ามาว่าถ้ามีเรื่องคนฆ่ากันใจแอ้ว่าอะไรนะไม่รู้เรื่องนะขโมยงดยว่าเมืองยุ่งจําในประเทนนั้น กลางกลางนั้นเราพระพุเจ้าเราน่ะเกิดเป็นพระญาโยงทองอยู่ในป่าหรือมะพร้านเป็นจักที่มีบุญเพราะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปก็รู้ว่าพระราชาในโลกนี้เลวร้ายที่สุดถ้าประชาชนเมาแ ก, จกาจา่จะจักถ้าท่านเมาเองใครจะจับแกล่ะเพราะนั้นเราองคเดียวหล่เราผู้เดียวจะทำไมช่วยโดวยวินมาจากป่าหรอมะพรานบินมาจาวับจวียนรอบเปรตเปรียงวังอยู่ พระราชนตอนนี้มันถามเมาพอชิงอาบัรจงเจอหน้าการกำบองเห็นนกก็ถามพวกอำมาตย์นั่นอะไรว่านี่เป็นนกยูงเป็นปยาดูงทองเป็กเป็นทองคำหน้าตาประวยด้วยเป็ดปยาวและต้องมีแววที่ห่านเรียกว่ามีแววที่เปรียกว่าแวววายุราแวววายูร์แววว่างมันสวยท่านก็บถามว่าไอ้นกยุงมันชอบกับไรวะ เขาอกมันชั่วลำเล้วว่ารําแปลงไงทายังไงให้รอ้ลำไม่มาหาเรอได้ก็ไปหานักดนตรีมาด้วยหญิงดีๆร้องร้องเพลงรอบๆนะเสียงอีดีๆนะเอามองร้องเพลงประสานเสียงด้วยเขาก็ไปเอาดนตรีก็ดีนิสมาใกล้ๆนกมันมันนั่งอยู่พอเขาเปรียบทำนั้นมันล็อกเปขึ้นไปลำแล้วจําเบ้วเบิ้วอยู่บนต้นไม้ประ้าว่าทํายังไงจะกดไอ้มาหาเราได้ เขาบอกว่าเอาเพลงมาเล่ามาถึงหน้าหนึ่งไอ้พวกเพลงบรรเลงเสียงบรรเลงเพลงดนตรีดนตรียอะไรมาทาการออกเสียงที่ประดิษฐก็บินมาพอบินมาก็ก็ตั้งคอนกันไปจนที่มันมันเกาะได้ความที่มันชอบเสียงบรรเลงเนี่ยมันลืมไปว่ามันมาอยู่ใกล้ประดาประดาแล้วย่องมาไปย่อมาไปเอามือประถุที่เอาประมาตประถุที่หัว มื่อก่อวหัวโอ้เจ้าวสวยจริงๆนะขนสวยมาเรลยบเป็นวันเช่นด้วยพอนลอกรู้สึกตัวโอ้พระอาจามาถูวัวะเรานี่นเราก็เลยต่ อ, อ, อยไปหน่อยพระอาชาว่าไม่ต่อตัวรเราเป็นพระอาจาที่มโหเก่งแตนะ่เราอารมณ์ดีตอนี่นะที่น่าจะมาทาไมนอกจากว่ามาเพื่ออะี่เพื่ออะไรจอมีดกัทนที่น่าจะเป็ กินอาหารยังไงประชาชนีนพู ด, ด, ด, ด, ด, ดไรตรงกินอะไรกจริงการทําไม่ดีเป็นตัวอย่างของปรจจะชาชนเจ้าแหวนแหวนต้องทําตัวอย่างให้มีถ้าส่งเลิ ก, ลอกลขอเริ่มไปรอดคอทองแดงแล้วนี่มันมันติดได้วมดถ้าไม่เริ่มเราไม่มาต่อไปเราจะไม่มาหาถูกที่นี่ประชาชนวางที่แกระนอกจากว่าเอ้าเลิกแตเป็นเลิกเอาถ้าเลิก็เริมจริงจริงนะ แต่ต e ้องดูกับเรานะนกบอกว่าพระเจ้าอยู่บ้าเมืองไม่ได้ตจะไปป่าแต่ว่าทํายังไงล่ะก็ให้ท่านคิดถึงเราัน่อนกอยู่จองนกยองราจะบินมาาีดีเพื่อมามาพูดมาคุยกันพระเจ้าก็เลิกเอิกเดิมนล้กันทร์นายกพอต่อมาท่านถามว่าตัวเก่งอะไรตอนนี้เรื่องกำปั้นควงอะไรอยู่นกบอกว่าขพระเจ้าบินเร็วบินเร็วกว่าสายนาที่เจี๊ยกนกบอกว่า บินเร็วกว่าลูกกระจุนที่เขายิงไกวจับลูกกระหนุนตามอากาศได้บินเร็วกว่าสายกว้างกว่าจุ่กว้าง่าบินเร็วกว่าดวงอาทิตย์ติขึ้นดวงอาทิตย์้นบอกว่าความมันจะพลื้ไปอย่างกว่าโนวนเป็นอาจจะตพองพ่เร็วเมื่ากันนอกบอกว่าพระพเจ้าทําความเร็วได้กว่านี้คือบินบินเร็วกว่าแสงอาทิตย์บินเร็วกว่าสายกว้างกาบินเร็วกว่าลูกกระหุนอะไรจะเร็วในลูกกระพเจ้าทําได้ ประชาชนไม่เชื่อนอกบอกว่าถ้าไม่เชื่อถ้าไปหาคนแม่ปืนมันจะขุ่นหนให้ยิงข้าพเจ้ายิงเาผาหัวเลยข้าพเจ้าจะติดเอ็ดลูกกระสุนกลางอากาศได้ลูกกระสุนกําลังพุ่งแรงนะโยมความยิงนกมีความเร็วมันจับได้นะเขายิงลูกกระสุนมาพอกพวกลูกนกกว้าทีเดียวติดประชา่นเอ๊ะก็ยิงกระยาก็ยิงกันนานแล้วก็ ความเร็วของนอกที่มาจับลูกกระตุนได้นี่ยยอดทีนี้พระชาชาโอ้โหมันไปพบตัวเห็นว้่งแล้วอะไรมันเร็วกว่านี้นกบอกว่าความเร็วกว่านี้ยังมีในตัวหน้าเนี่ยจะทำให้จับรวยเป็นมนุษย์ที่มีความเร็วอยู่เร็วกว่าหัวใจก็ใจมันเร็วนื่องกับภาษาบรรยวยโยมแต่อะไรเร็วกว่าเร็วกว่านั้ำหนานะมันเร็วจริง ยอมลองต่อสิว่าจอามาจะพูดจะจับลนไหม้เวลาสักเดือนดาที่ใจใจมันเร็วเรวกว่าอะไรเร็วกว่ากว่าเร็วกว่าเห็นเรกว่าลูกตานนี่อะไรมันเร็วอ่ะนี่เก่าแล้วนความแก่โยมมันเร็วกว่าอะไรแต่เรามองมันไม่เห็นล่ะเราไปเห็นตัวเมื่อของขาเลยว่าเยวแล้วว่าฟังดูแล้วว่า มันเร็วกั้แต่เธอในร้องแม่นวันแก่เด็แล้วก็ความเร็วนี้อไไม่มียารักษาโรคไปเทวระาชะาโรคนี้ยังไม่มียารักษาตอยหมอทิ่วโกมาลพัารักษาไม่ได้เพราะมันเร็วที่สุดความแก่ยอดผู้หญิงผู้ชายราดีดีหญิงสวยสวดีนั่งดูนี่นึกมาขาวมดเป็นเด็กผู้ช เคยวิ่งเล่นเต้นตรงน้ำอยู่กัน น, กนั่นเดี๋ยวนี้ทำไมำไมันมาถขันนี้แล้วล่ะทำไมขาวขาวแล้วล่ะทำไมตรงใาแหวนแล้วล่ะทํำไมจะต้องเดินก็ไม่ไอวแรงๆยังไงความแก่เ น, น, นี่ยความชรามันมาเร็วกว่าจินใายในโลกรอนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่าเมยเตรียมตัวต้อนรับรสถานการณ์ที่จะแก่กว่านี้ต่อไป <c oughs> ถ้าจะมาดูเรื่องนี้เตรียวมนาหนักอย่างนี้ครึ่งเก้าปีกว่าโ อ, โอ้ไม่ไหวแล้ว เมื่นั้นแต่ก็เวีนเนแตะเซนมาก็าเห็นมันเร็วจริงๆก็ขอบเปลี่ยนใจน้ความสวัสดสีก็เมื่อแจกจ้า ง, างกาหลายตัวคาให้นาเดินด